หลวงอนึกเทพเดชบุญเจียมกมลมิตรจากที่ th.wikipedia.org มัน 26 มีนาคมพุทธศักราช 2512 พลอากาศเอกหลวงอนึกเทพเดช 10 ผู้มี ในจังหวัดพัทลุงตาม 1 ประวัติวัน 13 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2483 มีพระบรมราชโองการโปรดก้าว เมื่อครั้งที่ประเทศฝรั่งเศสเป็น 27 เมษายนพุทธศักราช 2484 โดยประเทศ 2484 ได้ 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพัทลุงและจังหวัดพิบูลสงครามหลังจากการเจรจาระหว่างประเทศทว่า ก็ต้องคืน 4 จังหวัดดังกล่าว 2 หลัง 4 จังหวัด 5 ปี 4 เดือน 1 วันส่วนที่ 1.2 รัฐมนตรีหลวงทึกเทวาเดชบุญเจียม 10 มีนาคมพุทธศักราช 2485 มีการ 10 ทั้ง 14 เมษายนพุทธศักราช 2486 ข้อความใน Creative Commons แบบ 4.0